มาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขความเจริญแก่จิตใจธรรมะวันนี้ที่ท่านจะได้ฟังกันก็คือเรื่องนิวรนห้านิวรันห้าคือ อุปสรรคที่ขวางกัน้นการปฏิบัติจิตภาวนาคือการทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิผู้ปฏิบัตินี้มักจะเจออุปสรรคขวางกัน้นอุปสรรคเหล่านี้เราเรียกว่านิวรมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่ง ก็คือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ นี่อาจจะเป็นความลังเลสงสัยที่อาจจะทำให้ท่านไม่อยากจะปฏิบัติกันไม่อยากจะมานั่งสมาธิเดินจงกรมทำใจให้สงบกันทำใจให้สงบแล้วจะได้ความจริงได้ความสุขจริงหรือไม่อะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะจะเป็นเรื่องที่ข้องใจอยู่เป็นเครื่องลังเลสงสัยอยู่ อาจจะทําให้ไม่มีความยินดีที่อยากจะปฏิบัตินะอันนี้ข้อข้อที่หนึ่งความนังเล่ยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อที่สองอุปสรรคที่ทําให้การภาวนาการปฏิบัติธรรมนี้เป็นของที่ยากก็คือกามฉันทะความยินดี ในการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑชนิดต่างๆคือชอบชอบดูหนังฟังเพลงชอบเที่ยวชอบกินชอบดืม่มชอบหาความสุข <c oughs> จากทางตาหูจมูกลิ้นกายจะให้มานั่งเฉยๆนั่งหลับตานี้แล้วรู้สึกอึดอัดอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ นั่งสมาธิไม่ได้อาจจะเพราะมีกามาฉันทะเดี<ม>๋ยวก็อยากจะดูละครเดี๋ยวก็อยากจะกินขนมเดี๋ยวก็อยากจะดืม่มเครื่องดื่มอย่างนั้นอย่างนี้จึง<ม><ม>ทําให้การมานั่งสมาธินี้เป็นสิ่งที่ยาก<ม>เป็นอุปสรรค<ม>ข้อที่สามอุปสรรคในการที่มาขวางกั้นการทําสมาธิก็คือความโกรธ ัางทีเราโกรธใครเวลานั่งสมาธินี้จะไม่สามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้เพราะความโกรธยังค้างค้างอยู่ในใจข้อที่สี่คือความง่วงเหงาหานอนบางคนนั่งสมาธิได้แป๊บเดียวก็สับะงกหลับอยากจะนอนไม่อยากจะนั่ง หรือเกิดความเกลียดค้านขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอุปสรรคข้อที่สี่อุปสรรคข้อที่ห้าหรือนิวรณ์ข้อที่ห้าก็คือความฟุ้งซ่านเวลานั่งสมาธิแล้วใจคิดฟุ้งไปกับเรื่องนั้นฟุ้งไปกับเรื่องนี้นั่งเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้อันนี้คือ มารที่เราเรียกว่ามารหรืออุปสรรคนิวรณเวลาจะทําสมาธิมักจะเจ อ, เจอมารเหล่านี้กันเราก็ต้องหาวิธีแก้มารเหล่านี้หาวิธีแก้นิวรณที่เป็นตัวมาขวางกัน้นการปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อให้ใจสงบเพื่อให้ใจมีความสุข ข้อที่หนึ่งคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราสงสัยยังไม่มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องไปศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือไปศึกษาจากพระอริยสงสาวกพระที่เป็นพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านโดยตรงแล้วเราก็จะมีความมั่นใจหายสงสัยได้แล้วเราจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงได้อย่างไรตอนนี้พระพุทธเจ้าก็จากพวกเราไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ประสะาสากศาสดา คือธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วอันนี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปก็หมายถึงพระธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดญาติโยม และภิกษุภิกษุณีและเทวดาทุกวันไม่มีวันเว้นนอกจากเวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วธรรมะเหล่านี้ก็ได้มีการจดจำกันเอาไว้และได้มาบันทึกกันเป็นบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าพระไตรปิฎกนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราอยากจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ให้ไปเรียนรู้จากพระไตรปิฎกได้ซึ่งพระไตรปิฎกนี้เราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องเรียนทั้งพระไตรปิฎกซึ่งมีมากมีถึงแปดหมื่นสี่พันบทด้วยกันเราเพียงแต่เลือกเอาธรรมะที่เราสนใจที่เกี่ยวกับการที่เราจะ นำมาใช้นำมาปฏิบัติเท่านั้นถ้าเราสนใจเรื่องการปฏิบัติจิตภาวนาเรื่องการเจริญสีลสมาธิปัญญานี่เราก็เลือกเอาพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งเราก็มักจะได้แนะนำให้ศรัทธาญาติโยมได้ศึกษากันมีพระสูตรสำคัญอยู่ห้าพระสูตรด้วยกัน พะสดุอันแรกก็คือมองคลลสูุมงคลสามสิบแปดวิธีที่จะปฏิบัติตัวเราในเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้จิตใจของเราสงบจิตใจของเราปราศจากความทุกข์อันนี้ควรจะศึกษากันถ้าเราเป็นชาวพุทธควรจะรู้ว่ามงคลสามสิบแปดมีอะไรบ้างทำอย่างไรแล้ว จิตใจของเราจะเจริญจะสุขมากขึ้นเช่นข้อแรกก็ส่งสอนว่าอาสยวนาจะบาลานังบานดิตานั่นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกะละมุตตมังหนึ่งไม่ให้ครบคนผานคือคนไม่ฉลาดคนง่สองให้ครบบันดิตคือคนฉลาด สให้บูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาการกระทำสามข้อนี้จะทําให้เกิดมงคลแก่จิตใจเกิดความสุขและเกิดความเจริญให้แก่จิตใจมงคลสาบแปข้อนี้จะสอนตั้งแต่ข้อข้อที่หนึ่งขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นบรรลุพานิพานถ้าปฏิบัติตาม สามสิบแปดข้อนี้ได้ก็สามารถที่จะยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลขึ้นสู่พระนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพระสูตรพรูตรที่สองก็คือทำมาจากกับปวัตนสุขอันนี้เป็นเป็นคำสอนครั้งแรกของพระพุทธเจ้า ที่สอนพปัญญวคีให้รู้จักวิธีดับทุกข์ว่าดับทุกข์ด้วยอะไรดับทุกข์ด้วยการปฏิบัติมรมรคแมรรคแก็คือศีลสมาธิปัญญานี้รวมกันรวมมก็เป็นศีลสมาธิและปัญญาศีลก็คือสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโร คือการกระทําชอบวาจาชอบอาชีพชอบอันนี้อยู่ในกลุ่มของศีลกลุ่มของสมาธิก็มีสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิคือความเพียรชอบการเลึกรู้ชอบและการตั้งมั่นชอบเรียกว่าสมาธิแล้วก็ปัญญาก็คือสมาธิฏฐิ สัมมาสังคัโปแปลว่าความเห็นชอบความคิดชอบอันนี้คือทางที่จะนำให้ผู้ปฏิบัติมากแปดนี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ทั้งหมดได้บรรลุถึงพระนิพพานได้อันนี้ก็เป็นพระสูตรที่สำคัญที่ชาวพุทธเราควรจะศึกษาควรจะเรียนรู้กัน ก็สตรที่สามก็คือ อ, น, อ, น, อนัตตะลักคณ ส, สูตรทรงสแสดงความไม่มีตัวตนของสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นร่างกายและจิตใจของพวกเราที่เป็นขันหานี้ร่างกายเป็นรูปประขันจิตใจได้แก่นา ม, มะขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวตน ร่างกายนี้ไม่มีตัวตนเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่มีตัวตนเป็นนาการเป็นปรากฏการทางธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเกิดทําให้มั น, นดับถ้าไปยึดไปติดว่ามันเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่มันเป็นไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการ ถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์กับร่างกายและจิตใจของเราเราต้องรู้ทันว่ามันเป็นของที่ไม่แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับมีมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์สลับปนกันไปปนกันมาเหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกน้ำท่วมไฟไหม้ไฟไหม้ป่าอะไรทำนองนี้ อหลนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายและจิตใจของเรา <Okay. S 1> แต่เราไม่เข้าใจเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราคิดว่าเราดูแลจัดการร่างกายให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้แต่ในที่สุดเราก็ ทำไม่ได้ทําให้ร่างกายไม่แก่ไม่ได้ทําให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เราก็เลยต้องมาทุกข์กับร่างกายแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทําอะไรมันไม่ได้ต้องให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันเป็นอนัตตาเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนนี้ก็เป็นอ น, อ น, าตานัตตลักษณะสตรที่เราควรจะไปศึกษากันสุดข้อประสูิฐอันที่สี ก็คืออาทิตะอาทิตตปริยาญะสุลอันนี้ทรงสแสดงให้เห็นความทุกข์ว่าอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผดภพชนิดต่างๆที่เรามาเสด็มาสัมผัสกันเราชอบดูรูปชอบฟังเสียงชอบลิ้มรสชอบดมกลิ่นแต่เราหารู้ไหมว่าสิ่งที่เราชอบนี้มันจะกัดเราได้มันจะสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ เพราะว่ามันเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่เปลี่ยนได้จากสุขจะกลายเป็นทุกข์ได้เช่นเสียงเราคิดว่าได้ยินเสียงดีๆเราจะมีความสุขแต่วันดีคืนดีเสียงดีๆก็อาจจะหายไปแล้วเสียงที่กลับมาก็เป็นเสียงที่ไม่ดีก็ได้คนที่เคยชมเราก็อาจจะด่าเราก็ได้พอเราไปเสพเสียง ของคนที่ชมมีความสุขพอเขาไม่ชมเราเขาด่าเราเราก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราต้องรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะต่างๆที่เรายินดีกันที่เราแสวงหากันเสพกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์กันอย่าไปเสพมันความทุกข์เกิดจากความอยากเสพรูปเสียงกลิ่น ร, ฐฐรสผดทพะที่เราชอบอย่างเดียว อเราไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญที่เราไม่ชอบก็เลยทําให้เราทุกข์กันขึ้นมาเราต้องยอมรับว่ารูปเสียงกลิ่นรสมันก็เป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้มันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งมีทั้งส่วนที่เราชอบและไม่ชอบถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันก็อย่าไปยุ่งกับมัน เหมือนงูนี่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับงูงูไม่กัดเราหรอกแต่ถ้าเราไปเล่นกับงูนี่เดี๋ยวถ้าเราเผอขึ้นมางูมันก็กัดเราได้รูปเสียงกลิ่นรผดถ้าฟ้นี่ให้เรามองให้เห็นว่าเป็นเหมือนงูอัปเทาชาสอนว่าเป็นเหมือนไฟอย่าไปเล่นกับไฟเล่นกับไฟแล้วไฟมันจะเผาเราไม่ช้าก็เร็วคนเราที่ทุกร้อนใจกันก็ไม่ได้ทุกร้อนจากเรื่องอะไร ก็จากเรื่องรูปเสียงกลิ่นรพธภาพที่มาทางตาหูจมูกนิ้วกายของเรานี่อันนี้เรียกว่าอาทิตยปริยอาทิตตปริยายาสูตรแล้วพระสูตรข้อสุดอันสุดท้ายที่แนะนํามาก็คือสติปฐานสูตรพระสูตรนี้จะสอนวิธีปฏิบัติวิธีเจริญสติวิธีนั่งสมาธิอานาปนสติและ ว, วิธีเจริญปัญญา พิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาและพิจารณาจิตให้เห็นว่าเป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเรียนรู้พระสูตเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่สงสัยในเรื่องคำพระตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่เพราะว่าเมื่อเรานําเอาไปปฏิบัติแล้วเราจะได้สัมผัสกับผลที่จะเกิดขึ้น ก็คือเราจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ตามตามลำดับของการปฏิบัติของเราอ น, นีก็ตอนนี้ก็ญาติโยมเขาก็พิมพ์เป็นหนังสือขึ้นมาแต่ตอนนี้เมื่อทราบหมดแล้วยังเป็นหนังสือเขาเรียกอะไรพระสูตรเนี่ย <c oughs> เบนจเบญจางคสูตร มีพระสูตรอยู่ห้าข้อถ้าไม่มีญาติโยมก็สามารถค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตเข้าไปในก o ๊กก็เขียนชื่อพระสูตรเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีเอาเอาเป็นเป็นที่เป็นภาษาไทยเป็นที่คําแปลเพราะถ้าเป็นภาษาบาลีเราอ่านไม่รู้เรื่องแล้วจะไม่เข้าใจความหมายอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็จะได้คลายความสงสัยได้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ คำสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้หรือไม่ถ้าเราศึกษาแล้วนองนำเอาไปปฏิบัติดูความลังเลสงสัยต่างๆก็จะค่อยๆหมดไปอันนี้คือวิธีแก้นิวรณ์หรือมานข้อที่หนึ่งอุปสรรคที่ขวางกั้นการปฏิบัติธรรมคือความลังเลสงสัย นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเรายังสามารถศึกษาจากพระอริยสงสารโกได้พระที่ที่เรามีศรัทธาเคารพนับถือเชื่อว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ <c oughs> เราก็ถ้ามีโอกาสได้ได้พบปะได้ยินได้ฟังธรรมของท่านหรือได้ศึกษาธรรมะที่มีบันทึกไว้ในหนังสือหรือในสื่อต่างๆ เราก็สามารถที่จะศึกษาจากท่านเหล่านี้ได้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นพระอาริยสงฆ์หรือไม่ไมก็้า จ, จะต้องคอยเวลาดูเวลาตอนที่ท่านตายไ ป, ไปหรือว่ากระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุหรือเปล่าถ้ากระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุก็แสดงว่าท่านเป็นพระอาริยบุคคลคําสั่งคํ <c oughs> สาสอนของวระเจ้าจของท่านก็จะเป็นคําสอนที่ สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้ซึ่งเราก็ในวงการของขอ ง, ของผู้ปฏิบัตินี้เราก็จะรู้จักครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านล่วงลับไปแล้วแล้วทราบว่ากระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุเช่นพระพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นและลูกศิษย์ของท่านที่หลังจากที่ท่านตายไปแล้วกระดูกของท่านเหล่านี้ก็กลายเป็นพระธาตุกัน ท่านก็มีคําสั่งคําสอนที่มีการบันทึกเอาไว้ในหนังสือบ้างในในบันทึกเสียงบ้างเราก็สามารถที่จะศึกษาธรรมะเหล่านี้ได้ น, นี่คือสิ่งที่จะช่วยบรรเทาหรือกําจัดความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงเนี่ยพระท่าของพระพุทธเจ้าที่บรรจุไว้ในเจดีย์ต่างๆ อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่ามีพระพุทธเจ้าเพราะธรรมคาสอนของพุทธเจ้าก็มีจริงมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมีทั้งแปดมืนสี่พันบทด้วยกันธรรมบทด้วยกันเราสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เหล่านี้ได้พระอริยสงสาวกุกเราก็มีประวัติของท่านท่านที่ท่านท่านที่ล่วงลับไปแล้วก็มีประวัติมีคาสั่งคาสอน ที่มีการบันทึกไว้เป็นหนังสือหรือเป็นเป็นการบันทึกเสียงเราก็สามารถนำเอามาศึกษาเอามาใช้เป็นเครื่องกาจัดความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ถ้าเราถ้าเราเข้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างนี้แล้วรับประกันได้ว่าความลังเลสงสัยนี้จะไม่มีมเพราะคำสอนของท่านนี่มันเป็นคำสอนที่เรา ไม่สามารถที่จะจะไปปฏิเสธได้ว่าไม่เป็นความจริงเป็นคำคาสอนที่ไม่มีใครมาปฏิเสธว่าเป็นเป็นความเท็จมีแต่มีการ ม, มีแต่มีการมารับรองจากผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุ ธ, ธรรมแล้วว่าเป็นสวากขาโตพระกุฏาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเป็นที่พึ่งของใจได้ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นศาลาณะเป็นที่พึ่งของใจได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยการเป็นครูเป็นอาจารย์ของผู้ที่ต้องการที่จะมีที่พึ่งทางใจได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติเท่านั้นผลถึงจะเกิดขึ้นมามีศรัทธาอย่างเดียวแต่ยังไม่น้อมเอาไปปฏิบัตินี้ก็ยังไม่เกิดผลขึ้นมา จำเป็นจะต้องมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ศึกษาวิธีการต่างๆที่ ท, ท่านสั่งสอนให้เรานำเอาไปปฏิบัติพอเรานำาอาไปปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติเห็นผลว่าใจของเรานี้มีเกิดมีความสงบขึ้นมาเกิดมีความสุขขึ้นมาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เคยมีหายไปหายไปหมด อันนี้จะเป็นเครื่องยืนยันอย่างแท้จริงต้องยืนยันด้วยการปฏิบัติของเราเองแต่เบื้องต้นก็อาศัยศรัทธาความเชื่ออาศัยจากการได้ศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเมื่อเราไม่มีความสงสัยเราก็เอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาไปปฏิบัติสิ่งที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติในเบื้องต้นก็คือให้เรารักษาศีล แล้วให้เรามาฝึกนั่งสมาธิกันแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญากันอันนี้เป็นวิธีการกำจัดความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้เรามาปฏิบัติธรรมกันอุปสรรคข้อที่สองที่จะขวางกั้นพวกเราไม่ให้มาปฏิบัติธรรมกันก็คือกามฉันทะคือความยินดี ความชอบเสพเศกกามกามคุณหา้ากามคุณห้าได้แก่อะไรได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดถะพระชนิดต่างๆเราชอบดูการชอบฟังการชอบดูละครดูหนังชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดูหมหัศรศบันเทิงการละเล่นอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจแต่มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่ เหมือนควันไฟเวลาไม่ได้เสพก็จะทําให้เรารู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมา <Yeah. S 1> แล้วทำอย่างไงที่เราจะสามารถที่จะห้ามการมฉันทะได้เราก็ต้องสํารวมอินทรีย์คือสํารวมตาหูจมูกนิ้นกายพยายามบังคับใจห้ามใจอย่าไปอย่าไปดูในสิ่งที่อยากดูอย่าไปฟังในสิ่งที่อยากฟังอย่าไปลิ้มรส ด, ดมกลิ่น ไปสัมผัสกับสัมผัสต่างๆวิธีที่จะห้ามใจเราทางก็สอนให้เราถือศีลแปกันศีลแปนี่เป็นวิธีป้องกันอุปสรรคคือการมะฉันทะถ้าเราถือศีลแปแล้วเราก็จะไม่กล้าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพธภะชนิดต่างๆเช่นศีลข้อสของศีลแปก็จะห้ามไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับแฟน ไม่ให้ร่วมเราร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราไม่ให้หาความสุขจากคู่ครองของเรา <Yeah. S 2> ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะต้องแยกกันอยู่คนละห้อง <Yeah. S 2> เป็นต้น <Yeah. S 2> อยู่อยู่ใกล้กันไม่ดี <Yeah. S 2> เพราะว่ามันเป็นเหมือนน้ํามันกับไฟ <Yeah. S 2> ธรรมดาเวลาเขาเก็บน้ํามันกับไฟนี้ <Yeah. S 2> เขาไม่เก็บไว้อยู่ใกล้ๆกล้กัน <Yeah. S 2> เพราะเดี๋ยวเกิดน้ามันกับไฟไปเจอกันเข้า <Yeah. S 2> มันจะลุกลุกเป็นไฟขึ้นมาได้ เชื้อไฟกับน้ํำมันก็คือเชื้อไฟแล้วตัวตั ว, ต, วตัวที่ทําให้เกิดไฟขึ้นมานี้เขาจะไม่ให้อยู่ใกล้กันทันใดถ้าเราอยากจะรักษาศีลข้อสามของศีลแปะเราก็ต้องอย่านอนกับสามีหรือภรรยาคู่ครองของเราแยากกันอยู่แยกกันคนละห้องหรือคนหนึ่งอยู่วัดคนหนึ่งอยู่บ้านก็ได้นจะได้ปลอดภัย ถ้าอยู่ใกล้ๆกันถึงแม้อยู่บ้านเดียวกันคนละห้องมันก็ยังเดินเข้าหากันได้เวลาที่เกิดอารมณ์ขึ้นมาบางทีก็จะไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ได้ถ้าเราอยากจะมีเวลามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องพยายามหัดรักษาศีนแปดกันตอนต้นเราก็อาจจะรักษาแค่อาทิษฐาะครั้งหนึ่งก่อนวันพระเนี่ยวันพระนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าสอนให้ศรัท ธ, ธาญาติโยม ลองมารักษาศีลแปกันอยู่แบบนักปวดกันสักหนึ่งวันศีลข้อห้าศีลข้อสของศีลของศีลแปดแล้วก็เพิ่มศีลข้อหกคือไม่ให้หาความสุขจากการดื่มการกินการรับประทานอาหารมากจนเกินไปให้กินได้ให้กินเหมือนกินยากินเป็นเวลาเช่นนี้เวลาเรากินยาเราไม่ได้เราไม่ได้หวังความสุขจากการกินยาเรากินยาเพื่อไปรักษาร่างกาย ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บฉันใดเรากินอาหารก็ควรจะกินแบบกินยาไปรักษาโรคคือความหิวของร่างกายกินเพื่อดับความหิวอยากกินตามความอยากเพื่อให้เกิดความสุขความความสุขความเพลิดเพลินอันนี้มันจะทำให้กินไม่กินเท่าไหร่ไม่พอกินมาล้หลายหลายรอบด้วยกัน แล้วมันจะทําให้ไม่สามารถไปนั่งสมาธิได้เพราะเวลาพอจะนั่งสมาธิพอคิดถึงอาหารขึ้นมาพอคิดถึงขนมขึ้นมาพอคิดถึงเครื่องดื่มขึ้นมาก็ไม่มีกระจิตกระจายที่จะนั่งพุทโธดูลมหายใจนะต้องลุกขึ้นมาไปเปิดตู้เย็นดูไปเปิดตู้กับข้าวดูมีอะไรกินบ้างถ้าอยากจะแก้ปัญหาเรื่องความอยากกินนี้ก็ ต้องถือศีลแปดกันไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้วอนุญาตให้กินช่วงเช้าได้ช่วงเช้าถึงเที่ยงซึ่งพอเพียงพอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายร่างกายได้กินข้าวมือ้อสองมื้อก็พอแล้วไม่จําเป็นจะต้องกินสามสี่มือ้ออันนั้นกินตามความอยากกินแล้วก็จะไม่มีกําลังที่จะไปปฏิบัติธรรมพอกินแล้วมันก็จะง่วงนอน อันนี้ก็จะสร้างนิวรณ์อีกข้อหนึ่งขึ้นมาคือความง่วงเหงาหงนอนความเกียจคร้านผู้ที่จะปฏิบัติแก้ปัญหาอุปสรรคนิวรณ์ข้อหิวข้อง่อวงเหงาหงนอนข้อการมาฉันทะเนี่ยต้องรักษาศีลแปดศีลแปดนี่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนิวรณ์ได้ของนิวรณ์คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดและความง่วงเหงาหงนอนเพราะถ้าเราไม่กินมากจนเกินไปกินพอ ดับความหิวไม่ต้องกินให้มันอิ่มกินพอรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดกินอย่างนี้ก็จะทำให้ไม่มีปัญหาเวลาที่จะมานั่งสมาธิจะไม่ง่วงนอนจะไม่เกียดค้านจะไม่อยากนอนอันนี้ก็สิลข้อหกสิลข้อเจ็ดก็ห้ามไม่ให้เราเสบรูปเสียงกินลดทางมหัศลศพและบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ร้องลําทาเพลงไม่ไปงาน แต่งงานงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆไม่ไปท่องเที่ยวตามสถ า, านที่ท่องทเที่ยวต่างๆเราสำรวมตาหูจมูกนิ้วกายให้ไปอยู่ที่สงบไปอยู่ที่ที่วิเวกที่เรียกว่าที่ปีกวิเวกที่สงบสงัดห่างกายจากแสงสีเสียงต่างๆเช่นไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆวัดปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่สงบเงียบไม่มีรูปเสียงกลิ่นรส ต่างๆมาลบกวนใจแล้วก็ข้อที่แปดของศีลแปดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปวิธีไม่นอนมากเกินไปก็คือไม่นอนบนเตียงสาํารานเตียงที่สุขสบาย ม, มากจนเกินไปเตียงที่มีฟูกหนาๆ น, นอนแล้วไม่อยากจะลุกถึงแม้ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาแต่ใจไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อ มันก็จะทําให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปได้เพราะจะติดอยู่กับการนอนเพราะมันมันสุขมันสบายนั่นเองวิธีนอนที่ทําให้เราไม่นอนมากก็คือให้นอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆไม่มีฟูกไม่มีของนุ่มๆไม่มีฟูกหนาๆนะอาจจะมีฟูกบางๆไว้สำหรับการความเจ็บนิดหน่อยก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ปูด้วยผ้าด้วยเสื่อเลยดีที่สุด อย่างนี้เวลาร่างกายได้นอนหลับพอแล้วพอตื่นขึ้นมาจะไม่มีจะไม่อยากนอนต่อเพราะมันนอนไม่สบายเราต้องการที่จะกาจัดความสุขความสบายทางร่างกายเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่เราให้ความสุขความสบายทางร่างกายนี้มาให้กับการทําใจให้สงบมาปฏิบัติธรรมกันนี่ก็คือการแก้ปัญหาวิวรข้อที่สองและข้อที่ สามก็คือข้อที่สองก็คือความชอบเสพเลืกเสียงกิ่นรดต่างๆชอบดูชอ บ, ชอบฟังชอบกินชอบดื่มตามความอยากโดยไม่มีเว ล, เวลาเราต้องมาใช้สินแปดมาคอยกำลาบความอยากเหล่านี้ <c oughs> แล้วก็การกินมากเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการง่วงเหงาเหานอน เวลานั่งสมาธิถ้ากินอยู่นี้จะนั่งไม่ได้นั่งแล้วจะสับประกหนังท้องตึงแล้วหนังตาจะหย่อนอันนี้สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการสับประงกนั่งไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนต้องถือศีลศีลแปดถ้าถือศีลแปดแล้วยังง่วงอยู่ก็ต้องเปลี่ยนการท่าปฏิบัติ ถ้านั่งแล้วง่วงก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนก่อนอย่าเพิ่งไปนั่งเดินไปยังข้างรู้สึกไม่ง่วงแล้วแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่หรืออีกวิธีหนึ่งที่จะแก้ความง่วงง่วงนอนก็คือให้ไปอยู่ที่น่ากลัวอยู่ที่มีภัยต่างๆพระธุดงค์ท่านพระปฏิบัตินี้ท่นชอบไปอยู่ตามป่าตามเขาหรือไปนั่งสมาธิในป่าช้าเพราะมันเป็นสถานที่น่ากลัว เวลาไปอยู่ในป่าช้าคนเดียวนี่รับประกันได้นอนไม่หลับเลยไม่ง่วงเลยหรือถ้าไปอยู่ที่มีสิงสาราสัตว์ต่างๆได้ยินเสียงเสียงเสือคำามได้ยินเสียงสัตว์ป่านี่เวลาอยู่ในที่แบบนั้นนั้นมันจะไม่มีความง่วงนอนมันจะมีความตื่นตัวพระป่าท่านถึงเป็นพระป่ากันพระพระที่พระปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่ท่านจะเป็นพระป่ากัน เพราะท่านเห็นคุณค่าของการอยู่ป่าอยู่ป่าที่มีสิงสารสัตว์หรืออยู่ป่าช้าที่มีผีต่างๆนี่ท่านชอบที่เหล่านั้นเพราะมันทำให้ไม่มีความง่วงนอนไม่มีความเกียจคร้านนอนก็นอนได้เดียวๆชั่วโมงสองชั่วโมงบางทีก็ตื่นขึ้นมาแนะเพราะเพราะใจมันตื่นตัวมันคอยระมัดระวังมันคอยระวังภัยต่างๆมันจะทาให้ปัญหาเรื่องความง่วงนอนนี้ไม่มี นี่คือนิวรณ์ข้อที่ข้อที่สามคือความง่วงเหงาหานอนเกิดจากการกินมากเกินไปก็ถือศีลแปดถ้าถือศีลแปดแล้วยังง่วงนอนอยู่ก็จะลดจะลองอดอาหารดูก็ได้ลองอดข้าววันวันสองวันดูก็ได้เวลาอดอาหารแล้วมันก็ทาให้อาการง่วงนอนนี้หายไปได้เพราะเวลาหิวแล้วนี่มันจะไม่มันจะไม่ง่วงนอนบอง บางท่านที่ปฏิบัติถูกกับเจริญนี้ท่านก็จะใช้การอดอาหารอดชั้งละสามวันบ้างห้าวันบ้างดื่มแต่น้ําเปล่าไม่ต้องไปกังวลกับอะไรร่างกายไม่ตายท่านลองพิสูจน์มาแล้วพระพุทธเจ้าอดถึงสี่สิบเก้าวันก็ยังไม่ตายขอให้มีน้ํำดื่มก็แล้วกันน้ํานี้จําเป็นน้ําปล่ า, ลาไม่ต้องเป็นเครื่องดืม่มน้ําเปล่านี้ดีกว่าถ้าถ้าเป็นเครื่องดืม่มมันก็เป็นมี มีมีรสชาติก็ไปติดรสของเครื่องดื่มอีกถ้าจะกินน้ํากินเพื่อร่างกายก็กินน้ำเปล่าๆถ้าถ้ากินเพื่อรสชาติก็กินเพื่อกิเลสซึ่งเราไม่ต้องการเพราะเราต้องการกำจัด ก, กิเลสกิเลสเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างปัญหาต่างๆให้กับเราเราต้องไม่ไม่ไม่สนับสนุนไม่เลี้ยงดูมันเราต้องฝืนมันบังคับห้ามมันไม่ให้มันมี มีทธิพนต่อจิตใจของเราถ้าอดอาหารก็เอา อ, อาหารไปถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าๆไปแล้วรับประกันได้เรื่องความง่วงนอนนี้จะไม่มี <c oughs> อันนี้คือวิธีการของการแก้นิวอนหรืออุปสรรคที่ที่มาขวางการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีข้อต่อมาข้อที่สี่ก็คือความโกรธบางทีเรา กรคนนั้นโกรธคนนี้มีเรื่องมีราวกับคนนั้นมีเรื่องมีราวกับคนนี้พอเวลาจะมานั่งสมาธิจะมาปฏิบัติธรรมนี้ทำไม่ได้เพราะความโกรธนี้มันทําให้ใจเรารุ่มร้อนกิดไม่ได้นอนไม่หลับจะทํานั่งสมาธิใจก็ไม่ยอมสงบวิธีจะแก้ความโกรธก็คือต้องแผ่เมตตาต้องใช้ความเมตตา ต้องให้อภัยคนที่ทําคนที่เขาทําให้เราโกรธเช่นใครทําให้เราโกรธใครด่าเราอย่างนี้แล้วเราโกรธเขาถ้าเราอยากจะหายโกรธเราก็ยกโทษให้กับเขาไปถือว่ามันเป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราอยากจะไปล้างแค้นเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมากลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวเขาด่าเราเราก็กลับไปด่าเขา พอเราไปด่าเขาเขาก็กลับมาตีเราพอตีเราเราก็กลับไปตีเขาพอตีเขาก็กลับมาฆ่าเราเนนียที่สุดก็ตายด้วยกันไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ไม่ตายก็อาจจะต้องไปติดทุกติดตารางไปตายไปก็ไปนรกด้วยกันทั้งคู่อ น, นี่คือไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาของความโกรธวิธีแก้ก็คือต้องให้อภัยยกโทษ ไม่จองเวรกันไม่จองเวรจองกรรมกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรยิ่งจองเวรก็ยิ่งสร้างเวรให้มีมากขึ้นไปอยู่เรื่อยอันนี้จะเป็นวิธีที่ดับความโกรธได้หรือเราจะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วถ้าจานมันแตกมันก็แตกไปแล้วแก้วแตกมันก็แตกไปแล้วไปทาให จานหรือแก้วนันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของอ น, นิจจังไปเราอยู่ในโลกที่ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเราอยู่ในโลกที่มีอนัตเป็นอนัตตาคือเป็นเหตุการณ์ต่างๆนี้เราควบคุมบังคับไม่ได้เช่นตอนนี้เสียงมันเสียงนกมันออร้องยังไงถ้าเราไม่ไปสนใจถ้าไม่ไปอยากให้มันเงียบเราจะไม่โกรธมันหรอกแต่ถ้าเราอยากจะให้มันเงียบเนี่ยเราจะโกรธมันเราจะราคาญขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราคิดว่าเป็นเสียงของธรรมชาติเป็นเหมือนเสียงลมพัดเนี่เสียงอะไรที่ปรากฏการทางธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เสียงคล้าล่องอันนี้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่โกรธถ้าเราโกรธก็ให้อาภัยเขาไปอย่าไปร้างแทนกันเพราะมันจะทําให้ใจเราไม่สงบจะทําให้ใ จ, ใจเรายิ่งวุ่นวายไปใหญ่ นี่คือนิวรณ์ข้อที่สี่การระงับความโกรธต้อ ง, งระงับด้วยการให้อภัยให้อภัยนี้ก็คือการให้ความเมตตาคือมองเขาว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันอย่าไปทําร้ายเขาทําให้เขาทุกข์เขาอาจจะทําไปโดยที่เข า, เาไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาทําไปแล้วทําให้เกิดความเสียหายกับเรา หรือเขารู้เขามีเจตนาแล้วก็คิดว่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาแล้วกันเขาทําแล้วก็แล้วมันไปอย่าไปจองเวรจองกรรมกันแล้วความโกรธมันจะหายไป <c oughs> แล้วก็นิวรณ์ข้อสุดท้ายก็คือความฟุ้งซ่า น, นเวลานั่งสมาธินี้ใจชอบคิดเรื่องนั้นชอบคิดเรื่องนี้ชอบคิดถึงคนนั้นชอบคิดถึงคนนี้อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เจริญสติกัน าการจะนั่งสมาธิได้นี้เราต้องมีสติก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆจะมานั่งสมาธิโดยที่ไม่ได้เจริญสติมาก่อนนี้มันทำได้ยากยกเว้นว่าเรามีสติแล้วเราพืสติของคนเราแต่ละคนนี้มันมีไม่เท่ากันคนคคนบางคนเคยฝึกมาหลายภพหลายชาติแล้วมีสติมากพอมานั่งสมาธิก็สามารถนั่งแล้วทาให้สงบได้บางคนไม่มีไม่ได้ฝึกสติมาก่อน เวลามานั่งสมาธินั่งเท่าไห่ก็ไม่สงบนั่งท่าไห่ก็เกิดความคิดฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดอาการอึดอัดคันตรงนั้นคันตรงนี้ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้จนไม่สามารถที่จะทนนั่งต่อไปได้อันนี้เป็นอาการที่เกิดจากการขาดสติไม่ได้ฝึกไม่ได้เจริญสติมาล่วงหน้าก่อนดังนั้นถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิได้อย่างสบายสงบง่ายสงบเร็ว เราต้องพยายามเจริญสติมาก่อนและการเจริญสตินี้เราควรจเจริญทั้งวันคือตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมานี้เราควรจะตั้งสติกันเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วิธีที่จะไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องมีอะไรดึงใจเอาไว้สิ่งที่ดึงใจเอาไว้นี้เราเรียกว่ากรรมฐานอารมณ์ที่จะดึงใจเอาไว้ ซึ่งมีหลายหลายหายชนิดด้วยกันที่เราสามารถเลือกใช้ได้ซึ่งส่วนใหญ่นี้เราจะนิยมใช้พุทธานุสติเป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจคือให้เราเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเราเลิกถึงพระพุทธคุณก็ได้ถ้าเราเลิกถึงพระพุทธคุณก็เราก็สวดบทพระพุทธคุณไปภายในใจอิติปิโสภะกวาอรหังสามาสามพุทโธ สวดไปเรื่อยๆสวดจบรอบหนึ่งก็วสวดต่อไปสวดไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะสวดเพราะมันยาวเราจะสวดให้มันสั้นลงก็ใช้ใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ได้พุโทโธพุธโทโธไปจนกว่าความคิดเราจะหยุดถ้าเราถ้าความคิดเราหยุดเราก็หยุดพุโทโธได้ถ้ามันเริ่มคิดใหม่เราก็ต้องพุโทโธใหม่พยายามคอยคุมความคิดไว้อย่าปล่อยให้มันคิด ให้คิดเท่าที่เรื่องเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดก็คิดได้เช่นถ้าเราต้องใช้ความคิดกับงานการนั้นตอนนั้นเราก็ใช้พุทโธไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้ถ้ามีเรื่องจําเป็นจะต้องคิดก็ปล่อยให้มันคิดไปแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดคิดแล้วทําให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็หยุดคิดด้วยการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเวลาเรานั่งสมาธินี้เราจะไม่มีความคิดมาก เพรความคิดนี้ได้ถูกสติของเราคอยคอยควบคุมเอาไว้คอยกําจัดอยู่พอเวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่ฟุ้งใจก็จะสงบได้ง่ายนอกจากการใช้พุทธโธแล้วก็มีหลายอย่างอย่างอื่นถ้าเราจะเปลี่ยนจากพุทธโธมาใช้ร่างกายก็ได้เฝ้าดูร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย ไม่ว่ากําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนหรือกําลังทําอะไรก็ให้ใจเราคอยดูอยู่ที่ร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เช่นสมมุติว่าเราพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาปับ๊บพอลืมตาขึ้นปั๊บก็มองมาที่ร่างกายเลยว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนอ๋อตอนนี้กําลังอยู่ในท่านอนแล้วตอนนี้กําลังจะลุกขึ้นมานั่งก็เฝ้าดูมันเลย พอมันยืนก็รู้ว่ามันยืนพอมันเดินก็เดินไปกับมันพอมันเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ทางานไปกับมันทางานอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปกับร่างกายอย่าให้ไปอย่าให้ไปที่อื่นอย่าไปเมื่อวานนี้อย่าไปพรุ่งนี้อย่าไปที่นั่นอย่าไปที่นี่ให้ผูกติดอยู่กับร่างกายตลอดทั้งวันทั้งคืนอันนี้เป็นการฝึกสติ ถ้าเราสามารถสูกแบบนี้ได้ความคิดต่างๆมันจะไม่ค่อยมีมีก็น้อยมีเลือกคิดเท่าที่จำเป็นถ้าเรามีอย่างนี้แล้วเวลามานั่งสมาธิมันก็จะสงบง่ายเวลานั่งสมาธินี้เราก็ต้องเลือกเอาเราจะใช้กรรมฐานอันไหนดีถ้าเราใช้พุโทโธมาได้ผลดีเวลานั่งสมาธิเราก็ใช้พุโทโธต่อได้นั่งหลับตาแล้วก็ บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดอย่างอื่นให้คิดอยู่แต่คำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสงบใจก็จะนิ่งสงบจะเย็นจะสบายมีความสุขถ้าเราใช้วิธีเฝ้าดูร่างกายของเราในขณะที่เราเคลื่อนไหวทํางานทาการอะไรต่างๆ เวลามานั่งสมาธิเราก็มาเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอาณาปณะสติดูการเข้าออกของลมหายใจที่ปลายจมูกหรือที่หน้าหน้าท้องก็ได้แล้วแต่เราเราถนัดที่จะดูตรงไหนบางคนก็ชอบดูที่หน้าท้องเวลาลมหายใจเข้ามาก็พองเวลาหายใจออกหน้าท้องก็ยุบอันนี้ที่เรียกว่ายุบหนอพองหนอ จะว่ายุบเนาะพองเนาะก็ได้ไม่ว่าก็ได้ให้รู้เฉยๆก็ได้ให้รู้ว่าตอนนี้ลม<อ>ท้องกองเลากลังพองตอนนี้รู้ว่าท้องกำลังยุบเข้าไปอันนี้ก็เป็นวิธีของการดูลมแต่ดูที่ท้องดูที่หน้าท้องบางท่านก็จะบางท่านก็จะมาดูที่ปลายจมูกก็ได้ปลายจมูกเป็นที่เข้าออกของลมเวลาลมเข้ามันก็จะต้องมากระทบกับที่ปลายจมูกเวลาลมออกมันก็จะมากระทบที่ปลายจมูก เราก็เฝ้าดูตรงจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องไปบังคับให้ลมหายใจยาวหรือหายใจสั้นปล่อยให้ลมหายใจไปตามธรรมชาติของมันเราไม่ต้องการจะมาควบคุมบังคับลมเราต้องการอาศัยลมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองยิ่งแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงของลมใหม่ๆลมมันลมมันก็จะหยาบมันจะสั้น แต่พอนั่งไปแล้วอพอจิตเริ่มสงบขึ้นลมมันก็จะละเอียดแล้วมันก็จะหายใจยาวขึ้นก็รู้ไปตามความเปนจริงไม่ต้องไปบังคับลมเข้าดูเฉยๆแม้กระทั่งเวลาลมหมดก็ให้รู้ว่ามันหมดไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจก็ให้รู้อยู่ที่เดิมรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมความจริงมันยังมีลมอยู่เพียงแต่ว่ามันละเอียดจนเราไม่สามารถที่จะไปจับมันได้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตาย ตายถ้าเรายังมีสติรู้อยู่นี้ไม่มีวันตายไม่มีใครตายจากการปฏิบัติอาณาปณะสติดูลมหายใจเข้าออก <results> ถ้าเราดูอย่างนั้นต่อไปไ ด, ด้ <Innov ative> เดี๋ยวใจก็จะฮุบเข้าไปใจก็จะเหมือนกับตกลุมตกบ่อหรือหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วมันก็จะนิ่งสงบเวาจิตนิ่งสงบเราก็ไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉย พยายามประคับประคองความสงบนั้นไว้ไปเรื่อยๆให้อยู่ไปนานๆเพราะความสงบนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งเราไม่อยากที่จะให้มันหายไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ากว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ น, นี้เราต้องเหนื่อยกับการเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับแล้วก็ต้องมาทนนั่งสมาธินั่งหลับตาเพื่อให้จิตเข้าสู่จุดนี้ พอเข้าสู่จุดนี้แล้วเราอย่าไปทำอะไรพยายามใช้สติประคับประคองรักษาให้มันสงบไปเรื่อยๆให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะนี่เป็นขั้นที่หนึ่งของการปฏิบัติของจิตตาภาวนาการปฏิบัติจิตตาภาวนานี้มีสองขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถาภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้มีความสุขจากความสงบ แล้วขั้นที่สองเราค่อยไปที่วิปัสสนาภาวนาวิปัสสนานี้เป็นการปฏิบัติเพื่อสอนใจให้ใจมาศึกษาสิ่งต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นรูปเสียงจิตรสต่างๆลาบยศสรรเสริญบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีการเกิดแล้วมีการดับอย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งเหล่านี้ พอเวลาที่เราไปยึดไปติดเวลาที่เขาจากเราไปเราจะเศร้าเราจะเสียใจถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเพราะเรารู้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะต้องมีการพัดภาคจากกันเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เสียใจอันนี้เป็นขั้นที่สองก่อนที่จะไปขั้นที่สองได้นี้ไปขั้นที่หนึ่งต้องฝึกขั้นที่หนึ่งให้ชำนาญก่อนเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วได้ทุกครั้งที่เราต้องการ และให้อยู่ในสมาธิให้นานที่สุดให้ให้ยิ่งนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีใหม่ๆนี้มันจะสงบแป๊บเดียวใหม่ๆนี้ผู้ปฏิบัติจะสัมผัสกับคณิกะสมาธิคือสมาธิที่สงบนิ่งชั่วชั่วประเดี๋ยวเดียวเหมือนเหมือนงูแลบลิ้นหรือเหมือนฟ้าแลบพอพอสงบปั๊บมันก็จะถอนออกมา ท, าทันทีแต่พอเราได้สัมผัสกับความสงบแล้วเราจะกิดใจ ต่อไปเราจะไม่อยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะ เ, าเวลามาหาความสุขจากการทำสมาธิกันอันนี้คือประโยชน์จากการที่เราได้สัมผัสกับความสงบของคณิกะสมาธิแม้แต่จะเป็นความสงบเพยงเชื่อมูลแลบลิ้นก็ตามแต่มันความรู้สึกที่แปลกประหลาดมาซาจัจ์ใยจอย่างยิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในชีวิตไม่รู้เลยว่าเรามีสิ่งวิเศษ มีสง่งมีสิ่งงานมหัศจรรย์ใจอยู่ในตัวของเราเองอก่อนหน้านี้เราไปหลงกับสิ่งมหัศจรรย์มหัศจรรย์ที่อยู่ข้างนอกไปเที่ยวที่นู่นไปเที่ยวที่นี่ไปดูของมหัศจรรย์ของโลกแต่พอเรามานั่งสมาธิแล้วทำใจให้สงบนี่เราจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เหนือกวา่าความมหัศจรรย์ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เลยแล้วมันจะทาให้เราไม่สนใจกับการที่จะไปหาดูอะไรต่อไป เราอยากจะเข้าหาแต่ความสงบเพยียงอย่างเดียวพอเราออกจากสมาธินี้มาถ้าเรานั่งต่อไปได้เราก็นั่งต่อไปดูลมใหม่ดูลมดูหายหายใจเข้าหายใจออกใหม่หรือถ้าใช้คําบริกรรมพุทโธก็พุทโธต่อไปจนกว่าเราจะไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วเราก็ลุกขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องไปทํางานทําการไม่มีอะไรทําเราจะปฏิบัติทำต่อเราก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อ เดินไปเดินมาการเดินจงกรมก็เหมือนการนั่งสมาธิก็ให้มีสติจะอยู่กับคําบริกามพุทโธพุทโธไปต่อก็ได้หรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ดูที่เท้าตอนนี้เท้ากําลังก้าวเท้าไหนเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็เว่าซ้ายไปขวาไปหรือพุทโธไปพุทโธไปพยายามคอยควบคุมความคิดต่อไปเดินจงกรมไปให้นานๆจะกระทั่งหายเจ็บหายเมื่อย จนกระทั่งเกิดอาการเมื่อยไม่อยากจะเดินเราก็กลับมานั่งต่ออันนี้เป็นการปฏิบัติของผู้ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเพราะการปฏิบัติที่จะให้ได้ผลดีนี้จําเป็นจะต้องมีเป็นการปฏิบททัติที่ที่ต่อเนื่องกันถ้าเราทําทีละนิดทีละหน่อยนี่มันได้ผลน้อยได้ผลช้าเช่นถ้าเรานั่งสมาธิเสร็จเราเลิกเ ร, เราไปทําอย่างอื่นต่อใจเราก็เริ่มฟุ้งขึ้นมาม่ ใจก็เริ่มหิวเริ่มอยากขึ้นมามาเริ่มอยากดูอยากฟัง <c oughs> ถ้าไม่ได้ถือศีลแปเราก็จะไปดูน้่นฟังนี่ต่อไปมันก็จะทำให้การปฏิบัติของเรานี้ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร <c oughs> ถ้าเราอยากให้การปฏิบัติของเราเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่มีการถดถอยเราต้องพยายามรักษาระดับการปฏิบัติไว้ตลอดเวลาเช่น <c oughs> ถ้าถือศีลแปดได้ทุกวันก็พยายามถือศีลแปดไป ถ้าปฏิบัติธรรมได้ทุกวันก็ปฏิบัติไปอย่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นงานอย่างอื่นที่เราทำนี้ประโยชน์ที่เราได้นี้สู้ประโยชน์ที่เราได้รับจากการปฏิบัติธรรมไม่ได้ความสุขที่เราได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่เหนอ s s ื Bern, อกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวชั่วขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นเอง เวลาที่เราตายไปเราเอาไปไม่ได้เลยแล้วเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราไม่สบายเวลาใกล้จะตายนี้เราก็ไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้แต่ความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี้เราสามารถที่จะหาได้ทุกเวลาไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ตามร่างกายจะแก่ไม่แก่เราก็สามารถทำใจให้สงบได้ ร่างกายจะเจ็บไข้หรือไม่เจ็บไข้เราก็สามารถทําใจให้สงบได้ร่างกายจะตายหรือไม่ตายเราก็สามารถทําใจให้สงบได้ร่างกายตายไปแล้วใจของเราเราก็ยังสามารถทําให้มันสงบได้อันนี้แหละเป็นความวิเศษของการปฏิบัติธรรมมันไม่ต้องมันไม่ต้องอาศัยร่างกายมันไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลเสพชัชนิดต่างๆ ถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้จากการทําสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องพยายามรักษาความสงบที่เราได้จากสมาธินี้เวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆหรือถ้าเราอยากจะคิดก็ให้คิดไปในทางปัญญาถ้าเราคิดไปในทางปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ที่เราเคยอยากได้ที่เคยให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ จะต้องกลายเป็นความทุกเวลาที่มันหมดไปเวลาที่มันจากเราไปสอนใจให้เราอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เวลาเกิดความอยากมันจะทําให้ใจเราไม่สงบแั้นถ้าเราไปทําตามความอยากเดี๋ยวใจเราก็จะทุกข์กับสิ่งที่เราอยากได้เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันมีทั้งสองด้านมันมีทั้งด้านสุขและด้านทุกเวลาด้านสุขหายไปด้านด้านทุกโผล่ขึ้นมาก็จะทําให้เราวุ่นวายใจกัน นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจเวลาที่ใจออกจากสมาธิมาแล้วจะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็สอนให้ใจว่าอย่าไปหามันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของชั่วคราวให้มาหาความสุขจากการไม่มีความอยากดีกว่าตัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจถ้าใจเราไม่มีความอยากแล้วใจเราจะสงบไปตลอดไปเรื่อยๆความไม่สงบของใจเรานี้เกิดจากความอยากของเราเท่านั้นเอง ถ้าเราหยุดความอยากได้ความสงบก็จะกลับคืนมาแล้วใจของเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพราะความสงบที่ได้จากการหยุดความอยากนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้แหละเป็นการขั้นตอนขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติก็เพื่อรักษาใจให้สงบไปตลอดด้วยการทำลายความอยากต่างๆเวลาที่ออกจากสมาธิมาอย่าไปทาตามความอยากเพราะความอยากมันจะทาให้ใจเราวุ่นวายใจ แ้พอได้สิ่งที่เราอยากมาก็ได้มันก็จะสงบเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเดียวมันก็อยากได้สิ่งใหม่อีกมันก็จะอยากไปเรื่อยๆอยากเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้าเราตัดความอยากได้ไม่มีความอยากในใจแล้วใจเราจะอิ่มใจเราจะสุขใจเราจะพอไม่มีความอยากได้อะไรต่อไปเมื่อไม่มีความอยากได้ก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข เราก็ไม่ต้องมีร่างกายสมมุติร่างกายนี้ตายไปชาติหน้าเราก็ไม่ต้องกลับมามาเกิดมามีร่างกายเพราะว่าการเกิดนี้มันมันไม่ดีเพราะว่ามันมันเป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เลี้ยงดูร่างกายให้มันอยู่รอดไปได้ในแต่ละวันแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องมาทุกขกับความแก่ทุกขกับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกกับความตายทุกกับการพัดพากจากของที่เรารักที่เราชอบ แล้วก็ต้องมาทุกกับการที่เราจะต้องมาเจอกับของที่เราไม่รักเราไม่ชอบการเกิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพยายามลดละตัดความอยากเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะเมื่อเราไม่มาเกิดแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างสบายอยู่อย่างพระพุทธเจ้าอยู่อย่างพระอรหันตสาวกท่านไม่ได้หายไปไหนดวงใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับดวงใจของเราต่างตรงที่ดวงใจของเรายังต้องมาเกิดอยู่เรื่อยต้องมามีร่างกาย ้องมาจับคู่กับร่างกายเหมือนกับมาแต่งงานกับร่างกายแต่ใจของพระพุทธเจ้ากับพระหลานนี่เหมือนใจของคนโสดอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวได้มีมีความสุขไม่เหงาเพราะว่าท่านไม่มีความอยากท่านมีธรรมะมีสติมีปัญญาที่จะสอนใจให้หยุดความอยากให้ตัดความอยากทำให้ท่านสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขพวกเราถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระหลนตสาวกสั่งสอนให้เราปฏิบัติ ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไปถึงจุดนั้นได้เช่นเดียวกันและการปฏิบัตินี้ก็ไม่ได้กำจับจำกัดไว้ว่าจะต้องเป็นนักบวชเป็นพระเท่านั้นการปฏิบัตินี้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยนักบวชก็ปฏิบัติได้คารวะก็ปฏิบัติได้ผู้หญิงก็ปฏิบัติได้ผู้ชายก็ปฏิบัติได้เด็กก็ปฏิบัติได้ผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติได้คนแก่ก็ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัติมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ ความสามารถที่จะกำจัดนิวรณ์หาข้อนี้ได้หรือเปล่าก็คือถ้าเราสามารถกำจัดความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้กำจัดการมฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นลดได้กำจัดความโกรธได้ความจัดกำจัดความง่วงเหงาเหานอนได้กำจัดควา ม, วาานนวามฟุ้งซ่านได้เราก็จะสามารถเข้าถึงความสงบสุขของ ของใจที่พระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกได้เข้าถึงกันได้ดัง mm hmm. นั้นพวกเราอย่าปฏิเสธว่าเราเป็นเราไม่ได้เป็นนักบวชเราปฏิบัติไม่ได้เราเป็นผู้หญิงเราปฏิบัติไม่ได้เราเป็นเด็กปฏิบัติไม่ได้แม่นี่ไม่ใช่เพราะจิตใจของพวกเรานี้อายุเท่ากันหมดอะจิตใจ น, นี้มันเป็นของที่มีอายุมายาวนานแล้วไม่รู้กี่แสนล้านปีแล้วมันจิตใจนี้ไม่มีวันตายไม่มีอายุ mm hmm. มันเป็นผู้รู้ผู้คิด ที่ตอนนี้หลงกับการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจึงต้องไปเกิดไปมีร่างกายพอได้มาพบกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระสาวกทั้งหลายที่สอนให้เรายุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายให้มาหาความสุขจากการปฏิบัติทําใจให้สงบถ้าเราทําตามได้เราก็สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เมื่อเราไม่เกิดเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป น, นี่ก็คือเรื่องราวของนิวรห้าที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาปริโปเลนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกับปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาวาสุยาธาเมณิโชติราสุยาธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมัเตภาวัตวันตรารโยสุขีตีขายุโกภวะ อาพิวาทนสีิตสานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาช่วงต่อไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลย จะเข้ามาถามเองก็ได้หรือส่งเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือมีมือถือส่งเข้ามาทางเพจทางยูทูบก็ได้วนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติไลฟ์376 YouTube พระสุชาติไลฟ273 YouTube ด็อคเตอร์วช72วิทยุออนไลน์9คลับหาวส7ผู้รับฟังหน้ากุติ183คนรวมทั้งหมด920ครับโอเคไ ม, ไม่อยากจะถามะจะถามแล้วพูดใกล้ๆไหมเอาปากใกล้ๆหมวน ใกล้เรียนพระอาจารย์ครับพอดีผมมีคําถามที่เกี่ยวเรื่องของการ น, นั่งสมาธิครับผมอยากทราบว่าเวลาผมเดินสมาธิแล้วเนี่ยทุกครั้งนี่มีการเดินสมาธิผมต้องเริ่มจากอุปจารสมาธิแล้วเข้าสู่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ไล่เองทุกครั้งไปหรือไม่ครับ อ๋อมันเป็นถ้าเริ่มต้นก็ต้องเหมือนขับรถอ่ะเพาจอดรถเวลาจะออกก็ต้องเข้าเกียร์หนึ่งไปเข้าไปเรื่อยๆถ้าเราชำนาญมันก็จะเข้าได้เร็วถ้าไม่ชำนาญก็จะช้าหน่อยถ้าเกิดผมเข้าอุปจระเสร็จแล้วผมโดดขึ้นชั้นสามเลยได้ไหมครัคุณโดดเองไม่ได้หรอกมันโดยทุกเกียร์ออโต้มันจะไปออกมาเองแต่จังหวัดถอยลงของสมาธิเนี่ยถ้าผมถอยจากชั้นสามเข้ามาชั้นหนึ่งเลยได้ไหมครับไม่ถอยหรอกมีแต่เข้าไปเท่างั้น ไม่ต้องถอยมิได้ให้การตอนจ้วงออกครับตอนช่วงจะถอยออกออกมาเนี่ยมันก็ออกมาของมันอัตโนมัติพอเราปล่อยสติมันก็ออกมาแล่วจังหวะเข้านี้ต้องเข้าหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไร่อยู่ตลอเข้าที่สติเข้าที่สติอยู่ที่พุทโธตัวเดียวหรือยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวแล้วมันจะเข้าไปของมันเองเพราะตัวนี้มันเข้าของมันเองแต่เพียงแต่ว่าช่วงจังหวะที่ลมหายมันจะต้องมาเกิดจักริติขึ้นมาก่อน เขาไม่เป็นไรมันจ ะ, จะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปหน้าที่ของเราไม่ได้ไปไปจัดการกับมันหน้าที่ของเราอยู่ที่พุทโธแล้วอยู่ที่ลงหายใจอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้ว ช่วงเข้าสี่แล้วเนี่ยผมจะไปหไปห้าไดืยังไงอ๋อไม่ไปส่วนใหญ่อยู่ที่สี่ก็พอแล้วสี่ก็พอแล้วแล้วพอเข้าเข้าให้อยู่นานๆให้แช่อยู่ในสี่เลยมันจะเข้าสุดาบัตขมันเองใช่ไหมครับอ๋อยังอันนี้ต้องรอจะขั้นปัญญาอีกทีหนึ่งขั้นปัญญาต้องออกมาจากสมาธิแล้วเวลามันเจอความเจ็บความตายก็ปล่อยวางร่างกายให้ได้ก็จะเข้าสุดาบันได้ครับขอบคุณครับ คำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติไลฟ์จากคุณหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเป็นคนที่มีนิสัยขี้สงสารใจอ่อนและขี้เกรรใจคนเกิดจากจิตที่อ่อนแอและเป็นอกุศลใช่ไหมครับเราจะสามารถพัฒนาให้เข้มแข็งเกิดเป็นกุศลได้อย่างไรครับถ้ามันไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้ามีสติมีปัญญามันก็จะทำให้จิตใจเข้มแข็งได้ นั้นฝึกสติให้มากๆแล้วพิจารณาด้วยปัญญาว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับ ม, มีกฎแห่งกรรมในคนเกิดมาแล้วก็มีสูงมีต่ำมีสุขมีทุกข์ไม่เท่ากันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไปคำถามต่อไปจากคุณเจมขอฟังธรรมะเพื่อระงับความทุกข์ใจผมพยายามใช้ธรรมะดับใจที่ทุกข์ แต่ก็มีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากคนรอบข้างทำให้ใจผมไม่สงบเลยครับต้องอย่าไปอยู่ใกล้คนต้องพยายามอยู่คนเดียวหลบไปอยู่ในห้องแล้วก็นั่งพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องต่างๆใจก็จะสงบได้คำถามจากช่ง YouTube Dr. ร V ครับคุณหยกมีสองคำถามคำถามที่หนึ่ง เมื่อคืนลูกนั่งสมาธิจนถึงสภาวะที่รู้ว่าจิตกับลมหายใจคือหนึ่งเดียวกันไม่เกี่ยวกับร่างกายเลยครับแบบนี้ปฏิบัติถูกไหมครับและจะทําอย่างไรต่อไปครับเมื่อจิตกับลมหายใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ให้รู้ให้รู้เฉยๆไปให้จิตนิ่งๆอย่าให้ใจอย่าให้จิตคิดปรุงแต่งให้จิตตั้งนั่งอยู่เฉยๆอยู่ในความสงบไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้คาถามที่สองครับ เราไม่หมั่นบริกรรมปล่อยใจให้คิดจิตเราก็จะกลับมาหนักมาวุ่นวายเช่นเดิมแต่สำหรับลูกคือปฏิบัติไม่ได้ถึงขั้นไหนแบบนี้ลูกควรบริกรรมตลอดจนวาระสุดท้ายเพื่อให้ใจไม่ไปทางกิเลสมากใช่ไหมครับใช่พยายามหยุดความคิ้งไปสติพุโทโธพุโทโธไปถ้าใจหยุดคิดเราก็หยุดพุดโทโธได้ถ้ามันคิดเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธไป คำถามต่อไปจากคุณใหญ่โยมมีคำถามว่าแม่ป่วยติดเตียงกับเครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาไม่รับรู้ไม่ตอบสนองครับจิตแม่จะอยู่ที่ไหนครับและทำอย่างไรให้วาระสุดท้ายของจิตคุณแม่ไปสู่สุขติครับยุณแม่ก็อยู่ที่เดิมอยู่อยู่ตลอดอยู่ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายจิตก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่คนอยู่ที่เดิมไม่ได้เคลื่อนไปไหนมาไหนจิตอยู่ในโลกทิพย์ จิตเพียงแต่ส่งกระแสมาเกาะที่ร่างกายในชั่วคราวพอร่างกายตายไปกระแสที่มาเกาะกับร่างกายก็ก็หยุดลงไปจิตก็อยู่ในโลกทิพย์ต่อไปวิธีนี้ทําให้แม่สงบก็เนี่ยก็ท่านก็สงบอยู่แล้วท่านนอนอยู่ก็ปล่อยท่านนอนไปไม่ต้องไปรบกวนท่านคําถามต่อไปจากคุณ Tru ธไรเดอร เราแนะนําบิดาในสิ่งที่เรารู้เพื่อให้ท่านระวังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่เราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะต่อว่าแต่ท่านโกรธบอกว่าอย่ามาสอนบาปจะตกนรกเรารู้ว่าเกิดอะไรและเราจะต้องตามแก้จะวางใจอย่างไรครับก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีหน้าที่ไปสั่งไปสอนพ่อแม่นะ นอกจากว่าเขาขอคําปรึกษาเราถึงจะบอกเขาได้ถ้าก็ไม่สั่งถ้าเขาไม่ขอคําปรึกษาเราก็ต้องปล่อยให้นันเป็นไปตามบุญตามกรรมของท่านไปแล้วก็เป็นตับเป็นบุญเป็นกรรมของเราที่มาเกิดเป็นลูกของท่านด้วยคําถาม ต, ต่อไปจากคุณประสิทธิ์เวลานั่งสมาธิเมื่อนั่งผ่านไปประมาณสามสิบนาทีมีอาการลมในท้องดันขึ้นมาครับทําให้ต้องเรอลมออกทางปาก ทำให้ไม่ต่อเนื่องต้องออกจากสมาธิจะแก้ไขอย่างไรดีครับถ้าเป็นเรื่องทางร่างกายก็ต้องไปหาหมอดูว่าเป็นปัญหาอะไรรักษาให้มันหายถ้าไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปแบบนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปถามหมดแล้วครับ okay. มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมตอนนี้ถามได้นะ ถ้าเดี๋ยวเลิกก็จะมาขอถามไม่สะดวกถ้าไม่มีก็เอาท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนอาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิริศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเาิุ